พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าทุกอย่างสิ้นสุดลงที่ตรายรักวันนี้เป็นวันที่25้า สิงหาคมพุทธศักราช2560พวกเราเป็นนักพสตนักบวชแต่ว่าเป็นผู้แนวหน้านำหน้าในพุทธบริษัทสีของพระพุทธทเจ้าเราจะมาละแหละอ่อนแอปวกเปียกมันไม่ถูกต้องทางนั้นแหละเราต้องรอบคอบรอบรู้ ใช้ความคิดสติปัญญาอันนี้เละเลือนเลือนเลือนเลือนลางๆงเหมือนประสาทไกลๆลักษณะอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดในจุดนั้นอีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาก่อนจนมาได้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วผ ม, ผมเลยรับดูๆแล้วเนะี่ยอ ความรับผิดชอบรู้อะไรรู้หมดเกือบจะว่ารู้ทั้งหมดภายในวัดมีอะไรของอะไรตกมาในวัดรู้หมดถ้าเผื่อท่านถามมาเราก็ตอบได้เพราะอะไรพอเราสังเกตสังกาถามไถยมีอะไรเอาไปสังเกตดูดูมันไม่ได้ดูมากยากเย็นอะไรท่านรูด้วยปัญญาแล้ว ถ้าดูแบบโง่ๆท่านะอะไรก็มาถามมีอะไรไหมไม่รู้จนเจ้าของเขาถามมาท่านอาจารย์จริ่งนั้นสิ่นี้เป็นยังไงอา้าวเราก็ไม่รู้นะต้องมาถามอีกตาม่จริงได้รับสิ่งของอะไรมาว่าต้องรายงานที่อันนี้เอออันนี้ของมีคุณค่าเนะยของแปลกนะของมีคุณค่าของเขาเนะนะี่ยแ้าเมื่อเขาส่งมาแล้วก็ต้อง ต้องถามอาจารย์ก็ต้องถามหลวงพ่อนะั่นเองเขาคงจะไม่ปล่อยปะละเลยแหมเราก็รู้อันไหนคุณค่าอันไหนมีคุณค่าอันไหนไม่มีคุณค่าในพระโง่เช่ยอย่างเดียวไม่รู้อันไหนของมีคุณค่าไม่คุณค่าไม่รู้เพื่ออะไรเพราะมันโง่เนี่ยหละจุดที่มันโง่เนี่ยเลาหลวงพ่อเนเห็นอับตับจะแตกอย่างที่หลวงตาพูดนะ่ะขาดความรับผิดชอบ สรุปแล้วไปอยู่นัสถานที่ไหนไม่ดีทั้งนั้นเป็นหัวหน้าคนก็ไม่ดีเป็นลูกน้องเขาก็ไม่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ไม่ดีเป็นหัวหน้าวัดก็ไม่ดีพวกท่านว่ามันจะดีนะนี่แหละสอนไว้บอกเอาไว้ถ้าพวกเราจะเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็นัน่ต้องดูสังเกตรับผิดชอบ กุญแจทั้งสามสีห้องปล่อยป่าล่าเลยไม่ใส่กุญแจหนูจะเข้าไปกัดสิ่งของได้คิดไหมไม่ได้คิดถ้าฉลาดกว่านั้นก็เนี่ยพอเห็นที่ขึ้นมาแล้วเออเดี๋ยวเอาเชือกไปมัดเอาไว้กระตุกเอาไว้มัดเอาไว้ อันนี้คือคือความรับผิดชอบในระดับหนึ่งร้างถามว่าทำไมพอกุญแจกำลังไปซ่อมครับก็เลยได้มัดไว้ก่อนอันนี้ก็คือความรับผิดชอบในระดับหนึ่งก็ยังพอเชื่อถือยังพอยังยอมรับได้อันนี้ปล่อยเสเหเวียู่หนูตัวใหญ่ตัวเล็กเข้าไปได้ทั้งหมดเลย ไม่ได้คิดว่าของข้างในมันจะมีอะไรบางมีสายฟฟสายไฟมันกัดเข้าไปจะเสียหายถ้ า, เ ข, าออเข้าออกมันเข้าไปแล้วมันจะอยู่นานจากเท่าไหร่พอของเรามันกันหนูมันอยู่ในป่าก็รู้อยู่แล้วต่อไปอยาให้ผมได้เห็นอีกนะถ้าผมเห็นองค์ไหนอยู่เป็นสลาเป็นลักษณะอย่างนี้ไล่ออกเอาองค์อื่นเข้ามาแทนพระในวัดของเรามันมีตังเยอะแยะไปอยู่ทาไมอยู่แล้วเสียหาย นี่แหละผู้ที่จะนำเป็นหัวหน้าหรือผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติมันต้องดูตั้งแต่นี่แหละเป็นต้นไปเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องวินัยเรื่องวัดวาศาสนาเป็นหูเป็นตาได้ทั้งหมดหน้าที่คือหน้าที่ของเราทั้งหมดภายในวัดนี่อย่าไปทิ้งให้ใครผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องรับผิดชอบด้วยกัน เสียหายก็เสียหายมาด้วยกันถ้าดีก็ดีด้วยกันถ้าพังก็พังพินาศด้วยกันเพราะะไรเพราะมันวัดพวกท่านทั้งหลายจะไปคนนั้นคนนี้ควรรับผิดชอบไม่รับผิดชอบนะพวกนั้นทั้งหลายคิดอย่างนั้นแปลว่าตัวเองนั่นแะไม่รับผิดชอบเวลามันพังมาก็กระโดดหนีถ้าเป็นอย่างนั้น ลูกศิษย์อย่างนั้นอ่ะคบไม่ได้เลยตลอดชีวิตคบกันไม่ได้มีอะไรต้องบอกต้องรับผิดชอบนี่ผมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงตาก็เหมือนกันผมอยู่นักสถ า, านที่ใดผมไม่ได้ปิดตัดน้นาทับทางตนเองนะเขาไปหาท่านได้เขาไปเคารพกราบไหว้สักการะ ท่านได้ทั้งหมดเพราะเราไม่มีอะไรในเมื่ออยู่กับท่านรับผิดชอบทุกทุกอย่างดีที่สุดในความรู้สึกของเราออกมาแล้วเราก็ยังเคารพรับผิดชอบมีอะไรนั่นแหละอันนี้แปลว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่น่าจะฐานที่ใดมีความตรงไปตรงมา มีความซื่อตรงต่อหลักพระธรรมในใดต่อหลักทำคำสอนต่อสำนักต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพวกท่านทั้งหลายนะหลบปลบกลีกร้อลร้องแหล ะ, ล ะ, ละไม่รับผิดชอบแต่ละคู่แต่และองค์ไม่ได้ไม่ถูกวันนี้ผมก็ได้ เรียกมูปะชุมก็เพราะว่าไม่ในนานแล้วไม่ได้ไประชุมในระหว่างผมก็บอกว่าถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้ไปก็คงจะมีโอกาสก็คงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องเรื่องกิจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่ใช่มาในพูดในเรื่องนี้หรอกแต่โลกมาทนีนมาเห็นประตูเปิดมันไม่ใช่เปิดบ้านเดียว เปิดทุกห้องพร้อมที่จะหนูเขาได้อีกต่างหากจึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนแต่ที่เรื่องจะพูดที่จะจะลงมาประชุมในวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องที่จะว่าเออเอาพวกเราท่านทั้งหลายเป็นยังไงในภาษากลึงเดือนแล้วการบำเพ็ญของพวกเรา เรื่องจิตภาวนาของพวกเราการอยู่ด้วยกันมีความผาสุกไหมทางด้านจิตใจแต่เรื่องร่างกายไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเราต้องบำเพ็ญจะให้มันสุขสบายเหมือนเป็นครวาญญาติโยมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจิตใจของเรานะ่สำคัญเอาเถอะเราบำเพ็ญแต่ละวี่แต่ละวันเราเข้ามาบำเพ็ญ มปบำเพ็ญคุณงามความดีมาบำเพ็ญสมาธิแล้วก็เดินปัญญาวิปัสนาเนี่แหละผมอยากจะถามอยากจะรู้ว่าเดินสมถะและวิปัสสนาเนี่ะจุดนั้นแหละที่ผมอยากจะรู้อยากจะถามพวกหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายที่เข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้อย่าได้เสียเที่ยวเสียทีะบวชเข้ามาแล้วก็เลอะเลอะเลื่อนเลอนเลอะเลอะเลอะเทอะไป ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเสียเวลามาเท่าไหร่เวลาของเรามีคุณค่าพอเข้ามาบวชแล้วก็ปล่อยป่าละเลยไม่ได้สนใจเรื่องจิตตภาวนาคิดเรื่องอื่นนะไม่น่าจะถูกต้องขนาดผมเองผมเป็นหัวหน้าหมู่พกเพื่อนผมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องโลกามิตร์ทั้งหลายอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากมีอะไรผมพูดตาม การตามสมัยการะเทสะมีอะไรก็พูดแล้วก็บจบมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นไรอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องป่าลบเรื่องเจดีของหลวงตาเหมือนกับผมหนักอกหนักใจกับเรื่องภายนอกถ้าใครคิดอย่างนั้นแปลว่าพวกเราท่านอะไรคิดผิดผมไม่ได้หนักใจพูดให้ตรงเลยมีอะไรผ่านมา ก, ก็ บ, บอกกล่าว มันเรื่องของการวัตถุภายนอกถึงจะสร้างท้าววนวัตถุรูราโอ้อาตั้งแต่ฟ้าจนดินจดเมฆจดฟ้ามันก็พร้อมที่จะพังทลายมันอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดสร้างเท่าไหร่ก็พังเท่านั้นเรื่องวัตถุมีแต่สร้างจิตใจให้บหมดจดหลุดพ้นเท่านั้นอันนั้นคือสร้างแก่นธรรม ชำระใจให้บริสุทธิ์นั่นะตัวนั้นเลิศประเสริฐที่สุดถ้าจะสร้างทางโลกทั้งจะสร้างยังไงก็สร้างเดมันอยู่ในกฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดพังทั้งหมดทลายทั้งหมดเพราะนั้นเราจะในเมื่อเราที่จะทำได้ก็เออทำอเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องเคารพศักกระในผู้มีพระคุณสำหรับเราเราก็ทำให้ดีที่สุดเป็นไปได้เราก็มองว่าเป็นไปได้ เราจึงได้บอกได้ทำนี่มีปัญหาใช่ว่าเป็นไปได้จึงไดแนะ้แนะนำบอกกล่าวนะจะถึงยังไงก็ตามหมู่พเพื่อนทั้งหลายทุกองนะไม่ต้องหนักใจมันเรื่องภายนอกอย่างที่หลวงผมพูดนะ่ะมันเป็นเรื่องของโลกโลกก็เป็นว่าเป็นโลกกับโลกไปนะ่ทางที่ดี สร้างท้าวอนวัตถุขึ้นมาแล้วเป็นที่กราบไหว้ของมนุษย์เทวดาทั้งหลายเป็นท้าวอนวัตถุแต่เราก็ไม่ได้หนักใจไม่ได้คิดปักหนักใจในด้านวัตถุมีแต่เราให้พวกเราท่านทั้งหลายนยให้บมเพ็ญทั้งด้านจิตใจเรื่องจิตตภาวนานมาเข้ามาอยู่ทั้งที สามเดือนอย่างน้อยหจิตใจได้รับความสงบเป็นสมาธิสมาธิอัปปนาสมาธิสักครั้งหนึ่งพวกเราจะได้จะได้ริมรถพระธรรมพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ ท, ท่านได้บาเพ็ญแนะนำสั่งสอนเรื่องสมาธิให้กับพวกเราเมื่อพวกได้ รับพรสสมาธิแล้วท่านพระ อ, องค์จึงตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีควาสงบคํานี้ก็คือจิตใจนิ่งจิตใจไม่ปุง้งไม่ฟุง้งไม่ซ้าจิตใจรวมสงบนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองค์นั่นแ่ะที่เขามาบวชจะอยากจะให้บําเพ็ญจุดนี้แหละถ้าว่าจุดนี้เราเราได้บําเพ็ญจิตใจได้รับความสงบแล้ว ในเมื่อออกไปเป็นครวาสก็ยังลำาลึกถึงจิตใจเมื่อข้าพเจ้าหรือผมอยู่ในวัดขาานั้นผมได้ภาวนาจิตใจของผมได้รับความสงบมันจะจำไปนานเท่านานทีเดียวจนชีวิตจะหาไม่ถ้าเราได้ภาวนาจิตใจเข้าถึงจิตใจโคตรถึงความสงบในจุดนั้นแต่ก็ยังไม่ถึงมักถึงผลหรอก ยังเรายังไม่พูดถึงเป็นพระอริยะจุกคนพระโสดาสกธาคานาคาอรหันเราจะไม่พูดถึงจุดถึงสูงถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราทําจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้สงบปลอดจากอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจไม่รับรู้ทางกายกายของเราจะนั่งอยู่นสถานที่ใดลมหายใจเข้าออกทั้งหลายทั้งปวงไม่มีมีแต่สติกับจิต เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกเป็นพิเศษเป็นเอกเทศของของความสงบนั้นจากนั้นเมื่อเราถอนออกจา ก, กความสงบมันจะเข้ามารับรู้ทางกายกายเรานั่งอยู่ในสถานะไหนเจ็บแข้งปวดขาครู่ะไรแต่ในเมื่อที่เข้าไปสู่ความสงบนั้นแต่ไม่ใช่สงบแบบเข้าไปแล้วหายเงียบไปเลยอันนั้นก็ไม่ใช่สมาธิเหมือนกันอันนั้นเรียกว่าสมาธิ อก้อนหินสมาธิหัวหลักหัวตอ่อแปลว่าออกมาแล้วก็ไม่รู้จิตจิตใจของเราเขาสงบมันสงบหรือไม่สงบมันนอนหลับหรือเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้สมาธิอย่างนั้นแต่สมาธิที่ว่าเนยเมื่อจิตใจของเราเขาสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าใจของเราเนี่ย กับสติของเราสติของเรากับจิตของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ได้ว่าจิตหนึ่ ง, งรู้จากนั้นจิตถอนออกมาก็รู้พอจิตถอนออกมามาถึงมาสู่จิตปกติหรือจิตอุปจาระสมาธิเพียงแค่นี้เราก็จะทำนายได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ย สอนเรื่องจิตตภาวนาตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญดีชั่วบาปุลคุณโทษเราจะรู้รู้ได้เพียงแค่นี้และนะนั่นแหละถ้าจากนั้นเราก็พยายามทำให้จิตใจจะไม่ความอยากไม่ให้มีไม่ต้องมีความอยากทำมันเพียงพอมันจะเข้าสู่ความสงบอีกอย่าตั้งความอยากไปไว้เบื้องหน้ามีแต่ว่าอยากพ้นทุกข์เท่านั้น ในใจอยากพ้นทุกข์เราก็นั่งภาวนาหาทางพ้นทุกข์มันจะเป็นยังไงเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ปรุงเราไม่ได้อยากเป็นจุดที่มันอยากคำว่าอยากคํานี้เนะี่ยมิได้อยากพ้นทุกข์เท่านั้นอยากหมดจดจากกิเลสเราจะทํำยังไงเราพยายามนั่งให้นานไปเดินเดินให้นานบังคับจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เราจะตั้งกับอารมณ์ไหนกาหนดลมหายใจให้อยู่ในกับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราจะให้ส่งจะไปให้ทะเลถลไยไปทางอื่น บ, บังคับให้อยู่กับลมมันเผลอไปกระดึงกลับขึ้นมามันเผลอไปกระดึงกลับคืนมาอันนี้แหละคือจิตถ้าพยายามทำจิตต่อไปมันรู้วิธีวิถีทางวิถีการวิธีการของมันมันจะออกอยังไง เราก็รู้เห็นี่ยพอรู้เข้าไปแล้วจิตใจของเราก็จะสงบเน่งได้เนี่ยแหละทํามันเน่งขึ้นไปแล้วเนียเป็นพื้นฐานจิตใจที่เป็นพื้นฐานแต่ว่าพอสงบขึ้นมาแล้วเราเก็พยายามดูว่าจะทํายังไงจึงจะทําให้จิตใจสงบได้แต่เราไม่ต้องไม่ตั้งอยากไปตั้งความอยากนะถ้าตั้งความอยากมันจะไม่เข้า พอมันจิตจะเข้าสู่ความสงบอย่างเานะนี้นะจิตจะเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละมันจะถอดเองเพราะนั้นเราไม่ต้องตั้งความอยากทำให้เพียงพอบำเพ็ญไปเรื่อยๆพอจิตพอถึงจิตใจสงบนิ่งแล้วเป็นพื้นฐานพอสุขควรแล้วนั่นแหละนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี่เรียกว่าวิปัสสนา วิปัสสนาปัญญาปัญญาคือแยกแยะในจิตใจที่ของเรามันลุ่มหลงมัวเมาติดภบติดชาติมันหลงอะไรเนี่ยมันหลงในกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะกิเลสโลกราคะโทสมะโมหะัน ม, มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากร่างกายเอาร่างกายเป็นฐานมันอาศัยร่างกายเป็นฐานมันบังคับให้ร่างกายทำ กระทำออกไปาการะทำโดยอาการโทรสะมันออกอยังไงโทสะหน้าดำหน้าแดงโกรธอันนี้เลยวะโทอาการของโทสะอาการราคะเป็นไงเยิม้มไปได้วความรักความใคร่นี่มันใช้กายทั้งนั้นตั้งราคะโทสะโมหะมันใช้กายร่าง่างกายแต่นั้นจิตดวงนี้ เพราะนั้นเมื่อให้เมื่อเราพิจารณาร่างกายพี่แยกแยะดูสิร่างกายนีย่มีอะไรบ้างเกสาโรมากรรมาฐานหาจากนั้นกระทาดสีดินน้ำลมไฟจากนั้นก็พิจารณาอัปสุภะปฏิกูลเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายสรุปแล้วคือคือใจมาใช้ร่างกายไปในทางที่ผิด แต่ใช้ไปในทางที่ถูกปฏิบัติจริงปฏิบัติธรรมในทางที่ถูกปฏิบัติผิดกันเนี่ยใช้ไปในทางกิเลสราคะโทสะเพราะในสุดเนี่ยเมื่อเราพิจารณาร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมันต้องพังทลายกิเลสมันอาศัยราคะกิเลสราคะโทสะมันอาศัยร่างกายใจของเรารู้เงื่อนของมันว่ากิเลสเนี่ยมันอาศัย ธาตุสีนี่นะอาศัยร่างกายนี่นะแต่ร่างกายนะี่อีสักวันหนึ่งนะพังทลายนะไม่ใช่ข้อตัวตนของเรานะเป็นตรายลับนะอันินจางทุกขังอนัตตานะใจนะนี่แนหะละสรุปลก็คือเข้ามาหาใจคือเหมือนเก่านะตัวผู้รู้กิเลสมันอยู่ในใจมนไม่ไชจะอยู่ในที่อื่นมันมีสอ์ เล่สองเหลี่ยมสองสันสองคมอยู่ในจิตใจเพิกไปทางหนึ่งเป็นธรรมเพิกไปถึงมันเป็นกิเลสแต่แตอนนี้เมื่อเราพิกดูดูย้อนดูศึกษาย้อนดูหลายครั้งต่อหลายหนหลายครั้งต่อหลายหนจิตใจก็รู้พอรู้ขึ้นไปแล้วครับมันก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจออ ม, มันเป็นสองเงิน ผมมันเป็นสองเงินนะ่ะรู้ได้เลยสมัติทิ้งเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อเราพิจารณา ถ, ถึงไตร ล, ลักษณ์อย่างนั้นแล้วนะใจของเราจะเบื่อเบอื่อหน่าย แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราจะภาวนาเรื่องอะไรก็ตามนะจะเห็นริบนิดเห็นฉันสวรรค์ฉันพรหมเห็นอะไรก็ตามนะแต่ให้น้อมหาไตรลักษ์ตัวไตรลักษ์นี่แหละจะเป็นเครื่องตัดสินของพวกเราถ้าใครก็ตามถ้าภาวนาเรื่องอะไรก็ตามถ้าหว่าหนีออกใจจากไตรลักษนณะ์น่ะหลงได้ไง่ายๆนะ ทำมาพิจารณาย้อนมหาไตรลักษณ์อเนจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะไม่หลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเป็นอเนจังของไม่เที่ยงทั้งหมดเราจะไปอุปโลกอภิเษกขึ้นมาลาบดีอย่างนั้นยศ ด, ดีอย่างนี้เสนเสริญดีอย่างนั้นความสุขเป็นอย่างงั้นมาพิจารณานดูแลความสุขกว่าดีลาบยศเสนเสริญกว่าดี มันล้วนแล้วจะเป็นอั น, นจังทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นมันของอยู่ในโลกทั้งหมดนี่แหละอันนี้สุขสุขที่แท้จริงใช่ไหมสุขที่ไม่แปรผันใช่ไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้หละถ้าเราอยู่น้อมมหาไตรลักแล้วก็จะไม่หลงทางนะเราจะไปอยู่ห่าเงเหินจากครูบาอาจารย์หรือห่าเงเหินจาก มูจากเพื่อนไปที่ไหนก็ตามเราไปภาวนาอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะราภยศชนะเสริญชั่กชิงทุกอย่างเหล่านั้นมันอยู่ในตรยลักษณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เที่ยงที่มันจริงไม่เที่ยงเป็นทุกนั่นเป็นทุกเราเราจะไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่แหละถ้าเรา อยู่ในไตรลักษณ์ตัวนี้แล้วนะจะไม่หลงโลกหลงทางน ะ, ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านการภาวนาการศึกษาธรรมะเนะี่ยนี่แหละจุดจอดจุดใหญ่ที่จะทำร้ายทาลายกิเลสภายในใจของเราได้คนะือนี่ะไตรลักษณ์นี่แหละถ้าน อ, นอกเหนือออกจากไตรลักษณ์แล้ว กิเลสมันจะเข้ามาสวมนะกิเลสลาคะมันจะมองไปถึงกิเลสโทสะกิเลสโมหะความรุ่มหลวงมัวเมาหลงลืมลืมตนลืมตั ว, ล, ตวลืมว่าตัวเองจะไม่ตายมันลืมขนาดนั้นนะถ้าว่าตัวเองคิดว่าตัวเองอยู่ในกฎนนะในจังอีกวันหนึ่งนะจะทําดีขนาดไหนก็ตายแต่เรากดระมัดระวังทำไปเรื่อยๆด้วยความระมัดระวัง ความเตรียมพร้อมของเราอยู่เสมอนี่แหละแปลว่าผู้ไม่ลืมตนลืมตัวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกอง น, นะที่เขามาบวชทั้งข้างนอกทั้งข้างในเราต้องเป็นผู้เตรียมพร้อมอย่าไปชลาใจอย่าไปคุกครีตีโมงกับญาติโยมเวลาเขามาหาทุกย่อปอปัน้นอย่าไปลืมตัวอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขา เขาจะนับถือไม่นับถือเป็นเรื่องหัวใจของเขาถึงเขานับถือก็แต่อีสวรรค์หนึ่งเขาด่าเราก็ได้เพราะนั่นสิ่งนั้นเป็นหัวใจของเขาเราให้เลื่อมใสนับถือเรานะัเนี่ยให้เราเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบได้ยังเป็นพระที่ดีได้ยังอยู่ในกรอบศีลธรรมได้ยังเออหรือเป็นพระประจบเพื่อเป็นพระตอแหลเป็นพระอะไรฮะหรือว่าเป็นพระที่ ชอบโกหกชอบขอที่ว่าชอบเป็นพระที่ประจบสอบพลอเราเป็นพระอย่างไรให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอนะคือเราพระคือคือพระหน้าที่ของเราคือพระพระคือเป็นอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรถ้าพวกเราอยู่ในจิลในธรรมแล้วไม่ต้องโกหก ถ้าเรามีบุญบารมีเก่าในอดีตชาติที่เราบําเพ็ญมาแล้วนะไม่ต้องกลัวอดไปอยู่นัสถานที่ใดล่ำรวยรวยขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะั่นถ้าว่าเราไม่มีบุญวาสะนาะบารมีเก่าบาปกรรมอีกต่างหากเกิดมาพบหน้าชาหน้าก็ายากจนเพราะกรรมเก่าบาปให้ผล ถ้าเราเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมแล้วนะเราอยู่นัสถานที่ใดให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้นักแน่นจะทำยังไงใจของเราจิดเบื่อหน่ายคลายแล้วก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนั่นหละให้พวกเรานำน้อมนึกอย่างนั้นอยู่ในใจเสมอแต่สำหรับพระใหม่ เราก็เข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนีเ้เข้ามาเพื่อศึกษาเรียนรู้ว่าการเป็นอยู่ของพระเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงพระกรรมาฐานเราก็ต้องการความเด็ดด้วยความที่แบบเคร่งครัดในหลักพระธรรมวินยัยเคร่งครัดในการเป็นอยู่ให้เป็นพระที่แท้จริงเราอยากจะเป็นพระที่แท้จริง เราจะเป็นพระที่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยเราจะไม่เป็นพระเลอะเลือนเลื่อนเลือนเลืนเลือนเลื่อนางๆจะเป็นพระที่แท้จริงก็ให้พวกเราศึกษาจากนั้นก็ป ร, ปรับปรุงกายใจของเราให้เป็นพระที่แท้จริงอย่างที่เราตั้งใจไว้เมื่อเราเป็นครวญเราเห็นพระแต่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเรากราบไม่ลงเรายกมือไหว้ายาก แต่พอเรามาบวชเข้ามาแล้วเรากลับมาเป็นเองเป็นอย่างที่พระที่เราไม่เคารพนับถือเริ่มใสเรากายเป็นพระอย่างนั้นใชเองมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในกฎระเบียบวินัยให้แร่งครัดมีสัมมาคารวะรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักสูงรู้จักต่ำ แล้วก็บำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินจากนั้นก่อนนะอยู่หลักในอยู่ในหลักพระฒราวินัยนั้นนะตานเราออกไปแล้วก็ยังศรัทธาเลื่อมใสในตนเองเมืเม่อข้าพเจ้าเป็นพระบวชในคราวนั้นครั้งนั้นเราไม่ได้ผิดทมผิด กฎกติกาและผิดหลักพระธรรมวินัยในวัดในหมู่ครูบาอาจารย์แล้วก็ภาคภูมิใจไปนานเท่านานเพราะอะไรเพราะเราทั้ง อ, อกตั้งใจบาเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจนะ่อันนี้ก็อยากจะให้พวกพระใหม่ทั้งหลายอยู่ประพฤติตนอย่างนี้แหละถึงยังไงเราคน ให้อดให้หิวให้ผอมให้โซนมันไม่มีหรอกมีแต่ว่าเราจะบำเพ็ญอย่างไรในการเป็นอยู่ของเราจึงจะจิตใจของเราจึงจะยกระดับให้สูงขึ้นตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวจากนั้นเมื่อเราเป็นครวญไปแล้วเราก็ได้บำเพ็ญ ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้วิ่งเข้ามาหาจิตใจของเราจะวิ่งเข้ามาหาความสงบวิ่งเข้ามาหาหลุมเพลาะนะหลุมพ่อะคือเป็นที่หลบทนะางด้านจิตใจของพวกเรานี่แหละการบำเพ็ญคุณงามความดีการสร้างบุณสร้างกุศลไม่ไม่ไ ม, มันไม่ไปไหนนะมันอยู่ในจิตใจของพวกเราตลอดไป จนกว่าชีวิตจะหาใหม่เพือเพยังติดพบติดชาติไปพบหน้าชาติหน้าขึ้นมาแล้วก็ยังมันติดในพบในชาตอีกการบําเพ็ญคุณงามความดีใช้ค่ว่ามันง่ายมันคล่องขึ้นเพราะเราได้บําเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติอย่างพ ร, ระภาหิย ะ, ะเห็นไหมท่านบําเพ็ญเกือบจะได้สาเร็จมรรคผลอยู่แล้วตายอยู่บนหลังเขา จากนั้นท่านก็มาพบในชาตินี้ท่านก็มาเกิดพอมาเกิดได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่กี่คำาท่านก็ได้บรรลุธรรมถ้าพูดไปแล้วคืออะไรก็คือการบำเพ็ญในอดีตชาติของท่านแต่ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลในชาตินั้นแต่บอมืมาถึงชาตินี้พอได้ฟังธรรมนะยืนฟัง จบไปกี่คำเข้าใจปล่อยวางตัดกิเลสเป็นพระรหัส น, นี่แหละที่เราบอนเพ็ินทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมันไม่ไม่มันไม่หายไปไหนนะทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะกรรมชั่วนะมันก็ไม่หายไปไหนมันติดพบติดชาติเหมือนกันกรรมดีก็เหมือนกันไม่ติดพบมันก็ไปมันก็ติดพบติดชาติไปอีกเหมือนกันนะกรรมดีเพราะนั้นเรากำชั่วเราอย่าไปทำด้ พบทิชาติมันไม่ดีมีแต่ให้ทุกมีแต่ทำกรรมดีเทนะ่านั้นมีแต่ความสุขความเจริญมีความสุขความเย็นใจเกิดในพบนายชาติหน้าันนะันมีแต่เป็นสิ่งที่พึงปราถนาทุกพบทุกชาติที่เราได้เกิดพอเราประกอบพุ่งงามความดนะีถ้าเราทำกรรมชั่วอนะไรอย่างที่ว่านะั้นมีแต่เรื่องทุกจิตทุกใจไปนานเท่านานทีเดียว นะสรุปแล้วก็คือการบำเพ็ญคุณงามความดีนะนะั่นแหะมันไม่ไปไหนมันไหลเข้ามาสู่จิตใจทั้งดีทั้งชั่วนะนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําเถอะอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดในสิ่งที่มันชั่วนะคิดทําพูดให้สิ่งที่ดีเมื่อทําดีแล้วนะ่ะกรรมดีจะตามสนองตามดีจะให้ผลมีแต่ความสุขเป็นอนันตการ ท่านเราทำคิดชัวทำชั่วพูดชั่วกับชั่วจะให้ผลอีกมันก็เป็นความทุกข์เป็นอนันตการอีกเหมือนกันอย่าไปเอาเถอะความทุกข์นะแต่ขนาดที่ก็พอแรงแล้วนะเกิดมาพบในชาติเดียวกจนว่ามีความสุขกาเถอะบางทีบางครั้งก็สอือกสือื่นเหมือนกันในจิตใจถึงจะไม่ร้องไห้น้าตาออกมาทางหน้าแต่ดั้ทางด้านทางด้านทางด้า น, า น, านทางในใจมันสอือกอยู่ อเพราะเห่ไหลพราความทุกข์นะวันนั้นเราประกอบแต่คุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะถ้าตอนนี้ไปนั่งสมาธินั่นนี่นะนะนั่งสมาธิคนยังคอยเลิกลากันแต่ทิ้งยังไงได้พวกเราตะอกตั้งใจนะโดยมากพระใหม่จนจออกพรรษานละ้ะโดยมากจะคุยกันนะอย่าให้มีพวกเรา เรามาบาเพ็ญเราไม่ได้มาหวังอย่างอื่นเรามาบาเพ็ญคุณงามความดีคุยกันออกไปข้างนอกกูไปทางโลกมันคุยกันทั้งวีทั้งวันได้แต่โอกาสนี่ไม่ใช่โอกาสคุยโอกาสบาเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาโอกาสบาเพ็ญสมาธิในจิตใจนะอยู่ตามลำพังอยู่ในความสมบงบเงียบเน่เนงภาวนาไปเลยสังเกตตัวเองไปเลยนั่นแหละเลิศประเสริฐนะ เอานังสมาธิใ้เวลาแล้วหลวงพ่อจะบอกเออวันนี้เมื่อสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บางทีไอ้ขอนิ t s a นะให้ขอ n i t ก่อนก็ได้ไคอยเลือกลากัน